เมื่อว่าโดยสรุปวิมุตต์ตามความหมายอย่างกว้างหรือล้วมๆนั้นจัดได้เป็นสองพวกคือหนึ่งสำหรับความหมายขั้นสูงสุดนิยมเติมคําวิเศษลงข้างหน้าวิมุตเป็นอกุ ป, ปาวิมุตวิมุติที่ไม่กําเริบคือไม่กลับกลายหรือไม่เสื่อมถอยอกุ ป, ปาเจโตวิมุตเจโตวิมุตที่ไม่กําเริบอสัมมยาวิมุต ความหลุดพ้นที่ไม่ขึ้นต่อสมัยหรือไม่ชั่วคราวคือยั่งยืนตลอดไปอาสามายิกะเจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์ที่ไม่ขึ้นต่อสมัยทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงอริยผลโดยเฉพาะอารหัตตผลตรงกับความหมายขั้นสุดท้ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นโลกุตระมิมุติพึงสังเกตว่า คำอกุปาที่ท่านเติมเข้าข้างหน้าวิมุติและเจโตวิมุติให้เป็นอกุปาวิมุตและอกุปาเจโตวิมุตินั้นก็เพื่อเน้นความให้ชัดว่าเป็นวิมุติขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดทั้งนี้เพราะคําว่าวิมุติบางคราวไม่แน่นอนท่านใช้ในความหมายลุ่มๆหมายถึงความหลุดพ้นขั้นต่ำลงไปก็มีบ้างส่วนคําว่าเจโตวิมุตยิ่งเบาลงไปกว่านั้นอีกเพราะเจโตวิมุติอย่างเดียว จะหมายถึงวิมุติขั้นเด็ดขาดไม่ได้เลยการเติมคำว่าอากุปปาลงไปให้แปลว่าเจโตวิมุตที่ไม่กําเริบก็เท่ากับพูดว่าเจโตวิมุติในที่นี้หมายถึงเจโตวิมุติขั้นเด็ดขาดที่มีปัญญาวิมุติเกิดขึ้นด้วยแล้วจึงเป็นเจโตวิมุติที่ไม่กลับเสื่อมได้อีกดังนั้นแม้จะไม่ระบุ ค, คาว่าปัญญาวิมุตไว้ก็พึงทราบว่า คลุมความถึงปัญญาวิมุตต์รวมอยู่ด้วยแม้คําว่าอาสามายิกะในอาสามายิกะเจโตวิมุตต์ก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกันมีเจโตวิมุตต์ชื่อเฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่ในขั้นโลกุตระนี้ด้วยคืออนิมิตตาเจโตวิมุตต์แปลว่าเจโตวิมุตต์ที่ไรนิมิตรหรือมีภาวะไร้นิมิตเป็นอารมณ์ซึ่งได้แก่ผลสมาบัติ หรือภละสมาบัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวคือการที่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เข้าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเข้าสมาธิเสบเยรสแห่งการบรรลุธรรมในระดับของตนของตนในเวลาใดก็ตามที่ท่านต้องการพักอยู่สบายๆในปัจจุบันพูดอีกอย่างว่าเข้าสมาธิเพื่อเสเวยอริยโลกุตระสุข ที่เรียกว่าอนิมิตาเจโตวิมุตตเพราะเป็นภาวะหลุดพ้นหรือเป็นอิสระของจิตที่ท่านผู้เข้าสู่ภาวะนั้นไม่กำหนดใจถึงสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณก็ตามที่เป็นนิมิตคือเครื่องหมายของสังขารแต่ใจถึงนิพพานอย่างเดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์วิมุตตพวกที่สอง สำหรับความหมายขั้นต่ำลงมาซึ่งมีหลายระดับท่านเรียกรวมๆโดยใช้คําว่าเจโตวิมุตตแต่ลําพังคําเดียวล้วนบ้างใช้ว่าสามายิกะเจโตวิมุตตหรือสามายิกะวิมุตตหรือสมยวิมุตตความหลุดพ้นแห่งจิตชั่วสมัยคือช่วครั้งชั่วคราวบ้างคําเหล่านี้คลุมถึงวิมุตตขั้นต่ำลงมาทั้งหมดซึ่งจัดเป็นโลกิยาวิมุตตทั้งสิ้นวิมุตตขั้นต่ำลงมานี้ ท่านมักแสดงความหมายด้วยคำว่าอธิมุดหรือใช้อธิมุดเป็นไหวพจน์คือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้พ้นจากกิเลสพ้นจากสิ่งรบ ก, กวนหรือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ชั่วคราวตลอดเวลาที่อยู่ในภาวะนั้นเช่นจิตน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของฌานจนพ้นจากนิวรทั้งหลายเป็นต้นความหมายหลัก หรือความหมายมาตรฐานของสามายิกะเจโตวิมุตต์ก็คือโลกียสมาบัตทั้งแอันได้แก่รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ผู้ทุชนจะได้เจโตวิมุตต์อย่างสูงก็เพียงขั้นนี้เท่านั้นบางคราวเพื่อเจาะจงว่าเป็นเจโตวิมุตต์ขั้นสมาบัติ8นี้ท่านเติมคำว่าสันตะที่แปลว่าสงบประนีละเอียดลงไปกากับเป็นสันตเจโตวิมุต ย่อนจากนั้นลงมาสามายิกะเจโตวิมุตต์หรือสามายิกะวิมุตต์มีความหมายกว้างมากคือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งที่ศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือชื่นชมชอบใจอย่างใดอย่างหนึง่งภาวะจิตเช่นนี้ย่อมเป็นไปพร้อมด้วยกําลังจิตที่พุ่งแล่นไปทางเดียวคือทางที่น้อมดิ่งไปนั้นทําให้เกิดความกล้าหาญและเข้มแข็งมั่นคง ที่จะทำการไปตามแรงศรัทธาเป็นต้นพร้อมทั้งเกิดปีติปราโมทนำภิสูปัสสัตธธและสมาธิได้ตามกฎธรรมดาของกระบวนธรรมที่เรียกว่าอิทัปปัจจะตาหรือปฏิจจสมุปบาทภาวะจิตเช่นนี้เป็นความหลุดพ้นอย่างหนึ่งเพราะมีกำลังเหนือกว่าพ้นจากอำนาจของธรรมฝ่ายตรงข้ามที่จะมาขัดขวางรบกวนท่านเรียกว่า หลุดพ้นจากปัจจนีกระทมคือหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นข้าศึกเช่นความลังเลย่อท้อซึ่งซึมและขาดกลัวเป็นต้นซึ่งจะถูกข่มไว้ตลอดเวลาที่เหตุปัจจัยของความหลุดพ้นนั้นยังดำรงอยู่คือตราบใดที่กำลังจิตยังแผ่ออกหรือถูกผลิตออกมาจากการน้อมดิ่งของจิตด้วยอาศัยศรัทธาเป็นต้นเป็นแรงดึงเจตวมิมุตหรือมิมุตแบบนี้ ก็จะยังคงอยู่ตราบนั้นตามหลักฐานในคำภีแม้แต่ความคิดฝ่ายนิยมที่จะอยู่ในปา่าหรือความบันดาลใจเกิดปีติปราโมชใจโลดไปเมื่อได้ฟังธรรมกถาบางเรื่องในบางคราวก็จัดเป็นเจโตวิมุตตประเภทนี้ท่านว่าเจโตวิมุตตประเภทนี้บางอย่างเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้นก็มีคงจะเป็นวิมุตติประเภทนี้นั่นเอง ที่ท่านจัดเป็นมิจฉาวิมุตต์ในมิจฉาตสิบสามายิกะเจโตวิมุตต์บางอย่างมีชื่อเรียกที่ท่านกําหนดไว้โดยเฉพาะตามสิ่งที่ให้จิตกําหนดเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่จิตน้อมดิ่งเข้าไปนั้นเจโตวิมุตต์ชื่อเฉพาะชนิดที่กล่าวถึงมากที่สุดและท่านสนับสนุนให้ปฏิบัติได้แก่อัปปามานาเจโตวิมุตต์หรืออปปัญญาเจโตวิมุตต์กล่าวคือ การเจริญสมาธิด้วยการแผ่เมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตออกไปอย่างกว้างขวางทั่วไปหมดไม่จำกัดขอบเขตไม่มีประมาณจนจิตน้อมดิ่งไปในคุณธรรมนั้นๆเกิดอปปนาสมาธิเป็นฌานพ้นจากกิเลส จ, จําพวกนิวรและพ้นจากอากุศลที่เป็นคู่ปรับของอปปมัญญาข้อนั้นๆคือเมตตาเจโตวิมุต เป็นอิสระจากพยาบาทการณาเจโตวิมุตเป็นอิสระจากวิหิงสาการเบียดเบียนมุทิตาเจโตวิมุตเป็นอิสระจากความริษยาอุเบขาเจโตวิมุตเป็นอิสระจากราคะเจโตวิมุตชื่อเฉพาะอย่างอื่นที่ท่านกล่าวถึงบ้างเล็กน้อยคือสุญญตาเจโตวิมุตอากินจัญญาเจโตวิมุตและมหาคาตาเจโตวิมุต สุญญาตาเจโตวิมุตตคือเจโตวิมุตตที่อาศัยวิปั ส, สนากำหนดพิจารณาให้เห็นภาวะที่สังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าจากอัตตาคือตัวตนและว่างเปล่าจากอัตตนิยะคือสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนอากินจัญญาเจโตวิมุตตได้แก่อากินจัญญายตนอาอะโรปชาลมาหากตาเจโตวิมุตตก็คือการแผ่ชาณจิตน้อมดิ่งไปในนิมิตแห่งกสิณ ที่กำหนดครอบบริเวณสถานที่อันหนึ่งกว้างขวางเท่าใดสุดแต่จะน้อมใจไปพิจารณาความหมายตามขอบเขตที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแรงบันดาลใจหรือความใฝ่นิยมตลอดจนความรู้สึกฝากจิตมอบใจต่ออุดมคติอุดมการหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุแห่งศรัทธาเช่นบรมเทพหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นที่ทาให้เกิดความอุทิศ ต, ตัวต่อสิ่งนั้นๆ ก็เป็นภาวะน้อมดิ่งของจิตระดับหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเข้าในความหมายอย่างกว้างๆของเจโตวิมุตขั้นหนึ่งหรือรูปหนึ่งเหมือนกัน